มบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องพระอุปะนันทสักยบุตรข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระอุปะนันทสักยบุตรตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตตานะเมวะปัมังเป็นต้นตอนพระเถระ ออกอุบายหาลาบแต่ดได้สดับมาพระเถระนั้นฉลาดกล่าวธรรมกาถาภิกษุเป็นอันมากฟังธรรมกาถาอันปฏิสังยุต์ด้วยความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นต้นของท่านแล้วจึงบูชาท่านด้วยจีวรทั้งหลายสมาทานทุดงพระอุปนันทะนั้นรูปเดียว รับเอาบริขารที่ภิกษุเหล่านั้นสละแล้วเมื่อภายในการฝนหนึ่งใกล้เข้ามาพระอุปะนันทะนั้นได้ไปสู่ชนบทแล้วลำดับนั้นภิกษุหนุ่มและสา ม, มเณรในวิหารแห่งหนึ่งกล่าวกับท่านด้วยความรักในธรรมกะถึกว่าท่านผู้เริญขอท่านจงเข้าพรรษาในที่นี้เถิด พระอุปะนันทะถามว่าในวิหารนี้ได้ผ้าจำนำพันษากี่ผืนเมื่อภิกษุเหล่านั้นตอบว่าได้ผ้าสาดกอง์ละผืนจึงวางรองเท้าไว้ในวิหารนั้นได้ไปวิหารอื่นถึงวิหารที่สองแล้วถามว่าในวิหารนี้ภิกษุทั้งหลายได้อะไรเมื่อพวกภิกษุตอบว่า ได้ผ้าษาดกสองผืนจึงวางไม้ถาวไว้ถึงวิหารที่สาถามว่าในวิหารนี้ภิกษุทั้งหลายได้อะไรเมื่อพวกภิกษุตอบว่าได้ผ้าษาดกสามผืนจึงวางลักกระจั่นน้าไว้ถึงวิหารที่สถามว่าในวิหารนี้ภิกษุทั้งหลายได้อะไร เมื่อพวกภิกษุตอบว่าได้ภาษาดกสี่ผืนจึงกล่าวว่าดีละเราจะอยู่ในที่นี้ดังนี้แล้วเข้าพรรษาในวิหารนั้นกล่าวธรรมกถาแก่เครือหัดและภิกษุทั้งหลายนั่นและครือหัดและภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นบูชาพระอุปะนันทะนั้ น, น, นด้วยผ้าและจีวรเป็นอันมากทีเดียว พระอุปะนันทานั้นออกพรรษาแล้วทรงข่าวไปในวิหารแม่นอกนี้ว่าเราควรจะได้ผ้าจำนำพรรษาเพราะเราวางบริขารไว้ภิกษุทั้งหลายจงส่งผ้าจำนำพรรษานั้นให้เราให้นำผ้าจำนำพรรษานั้นทั้งหมดมาแล้วบรรทุกยาน้อยขับไปตอนพระอุปะนันทะ ตัดสินข้อพิพาทครั้งนั้นภิกษุหนุ่มสองรูปในวิหารแห่งหนึ่งได้ผ้าสาดกสองผืนและผ้ากำพลผืนหนึ่งไม่อาจจะแบ่งกันได้ว่าผ้าสาดกจงเป็นของท่านผ้ากำพลจงเป็นของเรานั่งทะเลาะกันอยู่ใกล้หนทางภิกษุหนุ่มสองรูปนั้นเห็นพระเถระนั้นเดินมาจึงกล่าวว่า ขอท่านจงช่วยแบ่งให้แก่พวกผมเถิดขอรับพระเถระพวกคุณจงแบ่งกันเองเถิดภิกษุพวกผมไม่สามารถขอรับขอท่านจงแบ่งให้พวกผมเถิดพระเถระพวกคุณจะตั้งอยู่ในคำของเราหรือภิกษุขอรับพวกผมจะตั้งอยู่พระเถระนั้นกล่าวว่า ภากระนั้นดีละ่ะให้ผ้าสาดกสองผืนแก่ภิกษุหนุ่มสองรูปนั้นแล้วกล่าวว่าผ้ากัมพลผืนนี้จงเป็นผ้าห่มของเราผู้กล่าวธรรมกถาดังนี้แล้วก็ถือเอาผ้ากัมพลมีค่ามากหลีกไปพวกภิกษุหนุ่มเป็นผู้เดือดร้อนไปสู่สำนักพระศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นแล้ว ตอนบุปกรรของพระอุปะนันทะพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปะนันทะนี้ถือเอาของของพวกเธอกระทาให้พวกเธอเดือดร้อนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนก็ได้ทำแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่า ก็ในอดีตการนาคสองตัวคือนาคเที่ยวหากินตามริมฝั่งหนึ่งนาคเที่ยวหากินทางน้ําลึกหนึ่งได้ปลาทะเพียนตัวใหญ่ถึงความทะเลาะ ก, กันว่าศีรษะจงเป็นของเราหางจงเป็นของท่านไม่อาจจะแบ่งกันได้เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งจึงกล่าวว่าลุง ขอท่านจงช่วยแบ่งปลานี้แก่ข้าพเจ้าสุนัขจิ้งจอกเราอันพระราชาตั้งไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษาเรานั่งในที่มินิชัยนั้นหนานแล้วจึงมาเสียเพื่อต้องการเดินเที่ยวเล่นเดี๋ยวนี้โอกาสของเราไม่มีนาคลุงท่านอย่าทำอย่างนี้เลยโปรดช่วยแบ่งให้พวกข้าพเจ้าเถิดสุนัขจิ้งจอก พวกเจ้าจะตั้งอยู่ในคำของเราหรือหนากพวกข้าพเจ้าจะตั้งอยู่ลุงสุนักจิ้งจอกนั้นกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นดีละจึงได้ตัดทำหัวไว้ข้างหนึ่งหางไว้ข้างหนึ่งก็แลครั้นทำแล้วจึงกล่าวว่าพอทั้งสองบรรดาพวกเจ้าทั้งสองตัวใดเที่ยวไปริมฝั่ง ตัวนั้นจงถือเอาหางตัวใดเที่ยวไปในน้ำลึกศีรษะจงเป็นของตัวนั้นส่วนท่อนกลางนี้จักเป็นของเราผู้ตั้งอยู่ในวินิจฉัยธรรมเมื่อจะให้นาคเหล่านั้นยินยอมจึงกล่าวคาถานี้ว่าอานุตีรจาริโนหนังคุดทั่งซี่สั่งคำพีรจาริโน อทายังมัชชิโมคันโทรธรรมัทัศน์ภวิสติหางเป็นของนาคตัวเที่ยวหากินตามริมฝั่งศีรษะเป็นของนาคตัวเที่ยวหากินในน้ำลึกส่วนท่อนกลางนี้จักเป็นของเราผู้ตั้งอยู่ในธรรมดังนี้แล้วคาบเอาท่อนกลางหลีกไปแม้นาคทั้งสองนั้น เดือดร้อนได้ยืนแลดูสุนัขจิ้งจอกนั้นแล้วพระสัสดาครั้นทรงแสดงเรื่องอดีตนี้แล้วตรัสว่าแม้ในอดีตการอุปะนันทะนี้ได้กระทาพวกเธอให้เดือดร้อนอย่างนี้เหมือนกันให้ภิกษุเหล่านั้นยินยอมแล้วเมื่อจะทรงติเตียนพระอุปานันทะจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาผู้จะสั่งสอนผู้อื่นพึงให้ตนตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนทีเดียวดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอัตตานมีวะปัทมังปติรูปเปนิเวสเยอาทัญญามนุซาเซยะยนกิลิเซยะยปันดิโตบัณฑิตพงตึงตั้งตนนั่นแล ในคุณอันสมควรกอดพึงสั่งสอนผู้อื่นในภายหลังจะไม่พึงเศร้าหมองตอนแก้อัดในบรรดาบทเหล่านั้นบาพระคาถาว่าปฏิรูปเปนิเวสเยได้แก่พึงยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรพระศาสดาตรัสคำนี้ว่าบุคคลใด ประสงค์จะสั่งสอนผู้อื่นด้วยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นตน้นหรือด้วยปฏิปทาของอริยวงเป็นตน้นบุคคลนั้นเพึ่งยังตนนั่นแลให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นก่อนครั้นตั้งตนไว้อย่างนั้นแล้วเพึ่งสั่งสอนผู้อื่นด้วยคุณนั้นในภายหลังด้วยว่าบุคคลเมื่อไม่ยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้น สอนผู้อื่นอย่างเดียวเท่านั้นได้ความนินทาจากผู้อื่นแล้วชื่อว่าย่อมเศร้าหมองบุคคลเมื่อยังตนให้ตั้งอยู่ในคุนนั้นแล้วสั่งสอนผู้อื่นอยู่ย่อมได้รับความสรรเสริญจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นชื่อว่าย่อมไม่เศร้าหมองบัณฑิตเมื่อทำอยู่อย่างนี้ชื่อว่าไม่พึงเศร้าหมองในการจบเทศนา ภิกษุสองรูปนั้นตัมรงอยู่แล้วในโสดาปติผลเทศนาได้เป็นไปกับด้วยประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องพระอุปากันทะสักยะบุตรจบ